ยาซีเรียกเรื่องอยากรวย <R ess api> โยมผู้หญิงคนหนึ่งร้องห่มร้องไห้มาหาหาลวงพ่อที่วัดบอกว่า ชีวิตเกิดมายากจนแต่งงานกับสามีฐานะใกล้เคียงกันแต่งงานเสร็จก็พอมีพอกินมีความสุขมากสามีขยันขันแข็งรักครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวอีฉันมีความคิดว่านี่ขนาดเรายากจนครอบครัวเรายังมีความสุขขนาดนี้ ถ้าเราร่ำรวยกว่านี้เรากงมีความสุขมากกว่านี้เยอะด้วยความอยากรวยอยากมีความสุขมากขึ้นทั้งสองสามีพัญญาก็ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเวลาที่จะเจอกันเอาอกเอาใจกันก็มีน้อย ห้าปีผ่านไปเดี๋ยวนี้ร่ำรวยกว่าเดิมมากมีเงินมีทองใช้จ่ายสบายเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านครบครันแอร์เครื่องเสียงเครื่องซักผ้ารถยนต์อาหารการกินพร้อมอุดมสมบูรณ์อ้าวร่ำรวยแล้วก็ดีแล้วนี่ จะได้มีความสุขมากขึ้นหลวงพ่อถามโยมตอบว่ามีความสุขกผีอะไรล่ะท่านอีตอนจนนะ่มันรักกันดีช่วยกันทำมาหากินพอรวยแล้วสามีตัวดีมไปมีเมียน้อยให้แต่เงินอีชันน่งอย่างเดียวรู้อย่างนี้ไม่รวยก็ดีเออ พระก็เลยงงตอนจนอยากรวยพอรวยอยากจนพระเอาใจไม่ถูกอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกความเจริญกัดความเจริญทางวัตถุมันกัดเอาเพราะเราเผลอเราลืมไปเรามัวไปพัฒนาความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวลืมพัฒนาจิตใจให้เจริญตามไปด้วย วัตถุมันพัฒนาเร็วจเจริญเร็วธรรมะตามไม่ทันไม่สมดุลกันเลยกลายเป็นความสุขทางวัตถุแต่ล้มเหลวทางศิลธรรมกลายเป็นสุกกายแต่ทุกข์ใจดังนั้นหลวงพ่อเลยได้แค่พูดว่าเมื่อจะพัฒนาวัตถุจะสร้างความร่ารวย อย่าลืมพัฒนาจิตใจตามไปด้วยจงร่ำรวยอย่างมีสติร่ำรวยอย่างมีศีลธรรมจะเป็นความร่ำรวยที่สุกกายสุกใจสุขสงบเย็นทั้งครอบครัว